ดูไปนะดูไปสบา ย, บายดูตอนสงบอย่าไปดูตอนเครียดดูตอนสดมนั่งสมาธิแล้วเรามาดูถอยออกมาแล้วมาดูสงบมากเกินไปก็ดูไม่เห็นสงบมากดูทุกไม่เห็นนะครับต้องไปดูอีกแบบหนึง่งเอาสงบพอประมาณสงบพอยังคิดได้นะครับใครควรได้ก็ใช้ได้ละในการดูทุก ดูไปเรื่อยๆ น, น, นะเดี๋ยวผมจะถามว่าอะไรเป็นเชื้อทุกคุณเห็นอะไรเป็นเป็นรากสำคัญของมันรีมันต้องมีหัวใช่ไหมนะครับคุณเห็นอะไรนะโดยสรุปนะเพ่งเข้าไปในกายตนเข้าไปในกายคนอื่นในความเป็นทุกข์และยอมรับทุกทุกรูปแบบใจ ช, ชาญที่คุณฝึกมาจนดีนะเพ่งเข้าไปดู ดูนะเพ่งเข้าไปดูในตนเองแล้วก็คนอื่นในกายสองคุณเพ่งเข้าไปดูในความรับรู้ความรู้ที่เรียกว่าวิญญาณของคุณและคนอื่นเวลารู้แล้วมันทุกข์ไหมรับรู้แล้วมันทุกข์ไหมผลของความรู้ที่เกิดขึ้นนำมัเรื่องทุกข์ไหมเห็นนะครับและคุณยอมทำไหมเพ่งไปดูความรู้สึกตนและคนอื่นว่าทุกข์ไหม เพ่งไปดูความจําของตนและคนอื่นมันทุกข์ไหมทุกทุกร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมทุกเรื่องเพ่งไปดูความนึกคิดปรุงแต่งว่าทุกข์ไหมนะครับแล้วก็เพ่งไปดูภาวะเดินดร้อของตนและคนอื่นภาวะของความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเจ้านายเป็นลูกน้องนนักธุรกิจเป็นผัวเป็นเมียทุกข์ไหม ในเวลาไปงานศพก็เพ่งเข้าชานแล้วก็เพ่งดูความตายมันทุกข์ไหมไปโรงพยาบาลไปเยี่ยมคนแลกทอดการเกิดมันทุกข์ไหมอะไรของเราแล้วคนอื่นทุกข์ไหมเด็กน้โมเนี่ยไม่ได้กินก็ร้องปวดท้องแรงๆก็ร้องที่ไม่ออกก็ร้องลูกชายดิ้นอยู่นั่นนะ่ะนอนนานๆก็ไม่ได้นะมันปวดตัวเด็กเพราะว่ามันเริ่มเริ่มขยายร่างกายมันเริ่มขยายอ้วน ปวดต้องลุกต้องเปลี่ยนเรื่ยบทเอาให้แช่อยู่ที่เดิมไม่ได้เลยทุกข์แน่ขนาดจะไม่มีนี่ไม่มีสินก็ยังทุกข์ของเขาเป็นทุกข์โดยธรรมชาติเนี่ยถ้ามันสุกมันมันคงไม่ร้องไห้นะครับให้ดูแบบนี้แล้วก็ย้อนมาดูที่เราเราก็พลิกเหมือนเด็กมันพลิกกันะ่ะพลิกตัวเวลาเรานอนเราปวดแล้วก็เดินไปเข้าห้องน้ําปวดท้อง เราหิวเราก็ต้องอยากกินกระหายก็อยากดื่มร้อนก็อยากเย็นเย็นก็อยากอุ่นเราทุกข์ไม่ได้ต่า ง, ขงเขาเขาดูตรงๆเพ่งในชานอย่างน้อยชานหนึ่งในความสงบที่พอคิดได้ดูทุกข์ไม่ต้องเข้าชันลึกนะไม่ต้องเข้าความว่างบริสุทธิ์ไม่ต้องเพราะในความว่างบริสุทธิ์ไม่มีทุกข์ให้ดูเห็นไม่ไทย้ย เอาแค่จดจ่ออยู่และเบิกบานพอคิดได้พอนะครับถอยออกมาเอาหนึ่งสองสามพอเอาหนึ่งสองพอสามก็ยังไม่ได้พอสามเป็นสุขไม่เห็นดีมันจะหลบไม่เอาหลบมันซีเซนทั้งหมดเอากลับมาเพ่งดูความทุกข์ให้อยู่ที่หนึ่งกับสองพอนะ เข่งเข้าไปดูไม่ต้องมีบัญญัติไม่ต้องคิดตึกต้องอะไรมากเหมือนเรานั่งดูทีวีไม่คิดตามนั่งดูพัดลมหมุนไม่คิดตามหรือขีมม่มอเตอร์ไซค์อารมณ์ขีมม่มอเตอร์ไซค์ไปมองไปแล้วสิ่งตามันมองเห็นสิ่งข้างๆเรือ่อยๆผ่านไปผ่านไปถ้าเราไม่ได้จดจ้องเหมือนกับเรามองมองถนนอะไรมากผ่านไปเราไม่ได้คิดตามไม่ได้คิดที่จะหันไลงควาไปดูสิ่งรอบข้างเอาปรมาถาก เพ่งความจริงถึงจะเกิดปรากฏการณ์ที่เข้าใจที่ไม่เป็นภาษาขึ้นในไอ้ปรากฏการณ์นี้จะถอนความทุกข์ได้เบื้องต้นยังเราเห็นทุกข์อาการก่อนจังหวะที่เรายอมรับว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์จะลดลง ทุกจะลดลงง่ายๆแล้วในขั้นอื่นเราจะเรียนกันต่อไปว่าทํายังไงเราจะเห็นเชื้อโรคเราจะจัด ก, การกับเชื้อโรคอย่างไรความไม่มีเชื้อโรคมีไหมแลวมันดีกับเรามากเพียงใดจะเป็นขั้นๆต่อไปแต่เอาขั้นนี้นี่ยก็ยากมากนะครับขั้นแรกแผลยากยากที่สุดอยู่ที่ตรงนี้ที่เหลือง่ายหมดเลย ที่เหลือในกิ้งกิ้งกิ้งกิ้งกิ้งกิ้งกิ้งไปนะครับเพราะใจมันรู้แล้วว่าอะไรมันดีกับเราที่เหลือมันจะอยากทํานะ